ที่ไหนที่เราไปแล้วฟิล์มนะคะที่นั่นก็จะมีคนตามมาแล้วก็ยืนเข้าคิวนะคะฟอนเดรดี้แหล่งนัดพบสําหรับคนที่รักช็อกโกแลตวาของแท้แบบโฮมเมดนะคะตามมาได้ในอร่อยรอดอนดคลิปนี้เลยค่ะที่ไหนที่เราไปแล้วฟิล์มนะคะที่นั่นก็จะมีคนตามมาแล้วก็ยืนเข้าคิวนะคะ